เกมแห่งความสัตว์จริงกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามามะนานะเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าและผู้คนต่างสรรเสริญในตัวเขาใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมามะนานะื่อสัตว์มีเกียรติและชาญฉลาดที่สุดคือใครมามะนานเฮ้ใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสื่อสัตย์มีเกียรติและชาญฉลาดที่สุด ถ้าเขาเจอทาที่ด no, no. ีท <griff en> ี่สุดคือซ่อนหลังกแพ่นนานาราชแห่งป่าราชแห่งป่าราชคนเดียวแห่งป่าราชแห่งป่าราชคนเดียวแห่งป่าราชแห่งป่าราชคนเดียวแห่งปลาราชแห่งป่าราชคนเดียวแห่งป่า ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วราชาพระชาตื่นได้แล้ว อ, อ, อมีอะไรอะ่ะเลิกขี้เกียจได้แล้วนะพวกเราจะไปเอาบรากฏกันไม่เอาอีกแล้วอ่ะไม่อีกแล้วเหรอข้าเบื่อที่จะต้องเป็นเลงอีกแล้วเ ข, ข้าใจไหมข้าจะกระถอนคำสาบและพวกเรา รรและก็เช่นเดิมเหมือนทุกวันเฟรดดี้และมามะนานะออกเดินทางเข้าป่าเพื่อค้นหามรกรเมื่อพวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆจนมามะนานะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยพี่ชายเราพักกันสักหน่อยได้ไหมแต่เราต้องเดินทางต่อก่อนพระที่จะตกดินนะ พี่ชายขอร้องเธอพักหน่อยนะก็ได้ทั้งสองนั่งพักท่านใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามขึ้นนั่นคือเสียงของมังกรมนุษย์ในดินแดนของข้าอย่างนั้นเหรอวิ่งวิ่งแล้วน้องชายวิ่งแล้วพูดเช่นนั้นเฟรดดี้ ก็วิ่งหายไปหลังต้นไม้มามะนาณะยังอยู่ตรงนั้นอย่างตกตะลึงได้โปรดอย่าทำอะไรข้ามัางกรผงกหัวขึ้นอย่างขบขันทำร้ายเจ้างั้นเหรอทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะโอ้เพียงเพราะข้าเป็นมังกรเจ้าก็เลยตัดสินแล้วเหรอว่าข้าจะต้องเ อ, อ, เ อ, อ่อโอ๊ะป่าวปคปาข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเ อ, อ่อช่างมันเถอะข้าไม่สนใจหรอก แล้วทำไมเจ้าถึงมาอยู่ในดินแดนของข้าได้ล่ะฮะแล้วทำไมเจ้าลิงนั่นถึงต้องเรียกเจ้าว่าน้องชายแล้ว้าปิดตานั่นคืออะไรคือเรื่องมันยาวอ่ะข้ามีเวลาลิงตัวนั้นคือพี่ชายข้าเฟรดดี้วันหนึ่งมีฤาษีมาขออาหารพวกเราที่บ้านส่วนข้ากําลังออกไปเตรียมฟืนเพื่อเอาไว้จุดไฟอยู่พี่ชายของข้าเก็บแอปเปิลแดงฉ่าไว้ให้ตัวเองกินและในตอนนั้นเอง ฤศีได้มาเคาะที่ประตูโอ้พ่อนุมข้าหิวมากเลยข้าขอแบ่งอาหารเจ้าสักหน่อยได้ไหมพี่ชายของข้าอยากช่วยฤสีนะแต่เมื่อคิดว่าเขาต้องให้อาเปลิลไปเขาก็รู้สึกแย่เออข้าต้องขอโทษด้วยนะท่านแต่ว่าข้าไม่มีอาหารเลยอะจริงๆข้าอยากจะช่วยท่านอยู่รองนะ ฤสีมีประสาทรับกลิ่นดีมากตอนที่เฟรดดี้เปิดประตูเขาก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วมีแอปเปิลอยู่เจ้าโกโหกข้าจะมีแอปเปิลอยู่ไม่ไม่เปล่ า, าข้าข้าไม่มียังจะโกหกอีกข้าขอสาภายเจ้ากลายเป็นลิงเพราะแบบนั้นเขาจึงถูกสาปให้เป็นลิงเมื่อข้ากลับไปพร้อมฟืน ข้าพบลิงกำลังร้องห้อยู่ในบ้านข้าพยายามจะไล่มันไปแต่มันก็พูดกับข้าข้าวางฟืนแล้วรีบวิ่งไปหาฤาษีเมื่อพบเขาข้าอ้อนวอนให้เขาช่วยคลายคำสาบอืมเจ้าพอจะมีอะไรให้ข้ากินไหมเออมีมีข้ามีชีสอยู่นิดหน่อยอะข้ามอบมันให้ฤาษีแต่เขาก็ไม่รับมันเขาแค่ยิ้มให้กับข้า ดูเหมือนเจ้าจะเป็นคนสื่อตรงข้าชอบข้าจะบอกก็ได้ในป่าลึกนะ่ะมีมรกรอยู่และมันจะอยู่เฉพาะตอนกลางวันและจะเชื่อฟังแค่คนที่ไม่เคยพูดโกหกถ้าเจ้าสามารถหามันพบเจ้าก็จะพบวิธีคลายคำสอบ เพียงแค่ฟังสิ่งที่มรกฎพูดจากนั้นเขาก็หายตัวไปตั้งแต่นั้นข้ากับพี่ชายก็เดินทางออกตามหามรากฎก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วผ้าปิดตาล่ะเขาบอกว่ามันเท่ดีเนอะโอ้เขาคิดผิดแล้วล่ะข้ารู้แต่ข้าหวังว่าพวกเราจะพบมรกฎสักทีนี่ก็เดินทางมาหลายเดือนแล้วพวกเรายังไม่เจอจนถึงตอนนี้ สมัยความมันยังไงทันใดนั้นแสงสว่างก็เจิดจ้ารอบรอบตัวของมังกรมันเปล่งประกายด้วยเวทมนตร์รอบตัวข้าคือมอรกรเฟรดดี้พยายามมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังต้นไม้แต่เขาก็เห็นเพียงแสงสีเหลืองๆเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมามะนานะนั่งอยู่บนหลังมังกรและมันก็บินหายไป เฟรตี้มองเห็นแสงสีเหลืองหายไปเขาได้วิ่งออกมาเอ น, นี่น้องชายข้าหายไปไหนโอ้ไม่นะมังกรต้องก้วเข้าไปแน่เลยน้องข้ามามากนานะถูกพาบินข้าแม่น้ำขนาดใหญ่และพาเข้ามาใกล้กับพระราชวังและเขาก็ลงมาจากหลังมังกรและมังกรพูดว่านั่นคือพระราชวังของราชาแฮมเมอร์โอ้ ข้าเคยได้ยินชื่อเขาพื้นป่าทั้งหมดน่ะเป็นของเขาใช่แล้วและไม่ใช่แค่ป่านะอาณาจักรของเขายังแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีว้าวแต่ทำไมพวกเราถึงมาที่นี่ละ่ะเพื่อ น, นำพี่ชายของเจ้ากลับมามัางกรเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องเกี่ยวกับความโอหังของราชาแฮมเมอร์และความลหลงไหลในการเล่นเกมแห่งความสัตว์จริงของเขาเขาได้จับนางฟ้าที่คอยพิทักษ์ืนป่ามาไวนะ้น่ะ หากเจ้าสามารถเอาชนะราชาในเกมของเขาได้แล้วก็เจ้าเนะ่จะปลดปล่อยเหล่านางฟ้าให้เป็นอิสระพวกเขาก็จะคลายคำสาปให้พี่ชายเจ้าผืนป่าก็จะกลับมามีความสุขนี่เอาเขาทัพทีมนี้ไปเดิมพันในเกมเขานะ่ต้องการมันมามะนานนะพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในพระราชวัง เมื่อทหารของเขาได้บอกเขาเกี่ยวกับชายหนุ่มที่จะมาเล่นเกมแห่งความสัตว์จริงพร้อมกับนำเขาทัพทิมมาด้วยราชาก็ดีใจมากดูเหมือนวันนี้ข้าจะโชคดีนะเยือเข้ามาหาข้าถึงที่เลย <laughs> <c oughs> เมื่อมามะนานนะเข้าไปพบราชาเขาดีใจมากเมื่อได้เห็นเขาทัพทิมเขารีบอธิบายกติกาในทันทีอาละพ่อนนุ่มกติกาคือ จ้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นไม่ว่าดึองอะไรโอ้แล้วกติกาอีกขอ้อห้ามทำข้าอารมณ์เสียไม่ว่ายังไงมีเท่านี้ <c oughs> ถ้าหากขาชนะข้าจะได้เขาทับทิมของเจ้าแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรหักเจ้าเอาคือชนะนะ <c oughs> ข้าอยากจะขอให้ปล่อยนางฟ้าแห่งป่าให้เป็นอิสระและกลับไปยังป่าพวกเขา ราชาโมโหมากที่ได้ยินแบบนั้นแต่เขาก็พยายามสงบสติอารมณ์เมื่อคิดได้ว่ามามะนานะไม่มีทางชนะได้โอ้ตกลงแั้นก็มาเริ่มวางบือเจ้าลงบนลูกแก้ววันนี้แล้วตอบคำถามหากเจ้าพูดความจริงมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหากไม่มันจะเป็นสีแดงมามะนานะพยักหน้า ข้าเป็นชายหนุ่มที่รูปงามที่สุดในโลกหรือไม่มามะนานะกระซิบบางอย่างก่อนจะพูดขึ้นว่าใช่แล้วลูกแก้วเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินราชาแฮมเมอร์ประหลาดใจอย่างมากรัฐมนตรีต่างก็ตกตะลึงจริงอย่างนั้นเหรอโอเคเจ้คิดว่าข้าเป็นคนที่มีเมตตาที่สุดหรือไม่มามะนานะกระซิบบางอย่างอีกครั้งก่อนจะพูดว่าใช่แล้ว ลูกแก้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและราชาก็ประทับใจอย่างมากแต่ลึกๆแล้วเขาก็เริ่มกังวลโอเคคำถามสุดท้ายเจ้ามาที่นี่เพราะมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ใช่ไหมมามะนานะยิ้มและพูดออกมาไม่ครับและโอ้พระเจ้าลูกแก้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งคำถามทั้งสามถูกถามหมดแล้วตอนนี้ตาข้าบ้า ข้ามีคำถามหนึ่งข้อจะถามท่านท่านรักประชาชนของท่านหรือไม่ราชาตกใจอย่างมากสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนอื่นๆไม่มีโอกาสได้ถามเขาในเกมแห่งความสัตย์จริงเพราะพวกเขาจะแพ้ไปตั้งแต่ตอนแรกเออเออเออเอเ อ, เ อ, เอรากลูกแก้วเปลี่ยนเป็นสีแดงและทำให้ราชาอับอายเป็นอย่างมาก รัฐมนตรีทั้งหมดต่างตกตะลึงเขาก้มหน้าลงและสั่งให้ทหารปล่อยตัวนางฟ้าแห่งผืนป่าและคืนดินแดนให้กับพวกเขาจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและออกจากราชสำนักไปมามะนานะดีใจอย่างมากเมื่อเขาออกมากับเหล่านางฟ้ามังกรได้พูดขึ้นว่าดีมากมามะนานะแต่บอกข้าหน่อยได้ไหมเจ้าทายังไงกันอะ เจ้าทำให้ลูกแก้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้พูดความจริงแต่ว่าข้าไม่ได้โกโหกนี่นะสำหรับคำถามแรกข้ากระซิบใต้ลมหายใจค่าสำหรับแม่ของท่านส่วนคำถามที่สองยิ่งกว่าราชาทุกคนในอาณาจักรของท่านจะรู้ไหมก็เพราะเขาเป็นราชาคนเดียวในอาณาจักรของเขาว้าวแต่แล้วคาถามสุดท้ายละ่ะ เจ้านะ่มีเจตนาแอบแฝงไม่ใช่อย่างนั้นเหรอข้าเปล่านี่เจตนาข้าคือการปล่อยนางฟ้าและข้าก็ได้ประกาศกับราชาไปแล้วก่อนจะเริ่มเกมเนะ่มังกรยิ้มออกมาและเหล่านางฟ้าต่างประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงป่าทั่วทั้งป่าต่างดีใจเป็นอย่างมากเหล่านางฟ้าได้เสกเปลี่ยนให้เฟรตตี้กลายเป็นคนขึ้นมาอีกครั้ง และเฟรตตี้สัญญาว่าเขาจะไม่โกโหกอีกต่อไปเหล่านางฟ้าต่างประกาศว่ามาม้านา น, นะจะเป็นราชาคนใหม่แห่งป่าเขามีความสุขมากเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดอาศัยอยู่ในป่าและคอยดูแลธรรมชาติด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์มาม้านา น, นะได้รับสิ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดเฮ้ hey, ใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ส, สื่สัตว์มีเกียรติแล h, ชะชาชราที่สุดถ้าเขาเจอาทางที่ดีที่สุดคือซ่อนหลังกรแพงมามานานาราชาแ like ห, ห fail, ่งป่าราชาแห่ง <hum> ป <émie> ่าราชาคนเดียวแห่งป่าราชาแห่งป่าราชาคนเดียวแห่งป่าราชาแห่งป่าราชาคนเดียวแห่งป่าราชาแห่งป่าราชาคนเดียวแห่งป่า